คำที่ว่าทรรมนั้นเป็นธรรมชาติมีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่การไหนไหนเช่นเดียวกับโลกที่มีเป็นคู่เคียงกันมาแต่อาศัยผู้รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นยุคเป็นสมัยเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์มาตะ ตรัสสรุรรมแล้วประกาศสอนโลกมาโดยลำดับลำดาไม่ได้แสดงออกตลอดการเวลาเหมือนโลกที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานี้คำว่าโลกคือกิเลสสวัสด ที่พาสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปตามอนาจแห่งกรรมของตนด้วยนอกจากหมุนเพราะอานาจแห่งกิเลสพาให้เกิดแล้วยังหมุนไปตามอานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้ที่เรียกว่ากรร ม, มวัฏ เิเลนั่นแหละเป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วก็เป็นวิกาวยิปากกวัดหมุนกันไปหมุนกันมาเป็นวัดตะวนสามท่านท่านเรียกว่าวัดตะวนสามเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วเวลานี้ ิเสวัดนึ่กรรมวัดหนึ่วิปา ก, กวัดนึ่นี่หมุนรอบตัวอยู่เหมือนมุดไตขอบดงนั่นแหละหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้ทำงานบนหัวใจสัตว์โลกทุกประเภทเรื่อยมาไม่มีเวลาจับยังหมุนไปตามหลักธรรมชาติของตัวเอง ที่เรียกว่าอัตโนมัติส่วนธรรมะนั้นได้ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวระงับดับโครงจักทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกให้สงบล่มเย็นไปเป็นวักเป็นตอนเป็นเกาะเป็นดอนไม่ใช่จะตลอดทั่วถึงไปหมดทุกตัวสัตว์ นี่เป็นหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในหลักธรรมชาติเหล่านี้แหละแก้ก็แก้สิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์อันเป็นหลักธรมนนกธรมชาติอันหนึ่งด้วยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำชาที่มาชะล้างสิ่งสสขปรก หรือว่าเป็นน้ำดับไฟเป็นยุคเป็นสมัยก็ได้ธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมผู้ใดก็ตามถ้าได้อย่างเข้าเข้าถึงอริยสัจตรัสขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระสาวกทั้งหลายบ้างแล้ว ท่านเหล่านี้แลจะจับเอาจุดแห่งอริยสัจซึ่งเป็นที่อุบัติแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนี้กระจายออกไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นเรื่องกิเลสสวัส์กรรมวัฏยิปากวัฏซึ่งหมุนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลานี้ย่างแจ่มแจ้งตลอดโดยไม่จําเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็ได้ ในขั้นพระรหัสตบุคคลแล้วสามารถทราบได้อย่างชาัดเจนในเรื่องความเป็นมาของสัตว์ยิเลสสวัสตนี้ในสามประเภทนี้อยศัสตร์เท่านั้นเป็นผู้เป็นธรรมชาติที่จะทำลายให้แตกกระจายออกไปให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ทั้งหลายซึ่งสัตว์ทั้งทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเลย แต่ท่านผู้นี้ท่านเหล่านี้รู้แจ้งเห็นจริงประจักรพระไทยและพระจักรใจด้วยกันต่างแต่ภูมิกว้างแคบต่างกันเท่านั้นเช่นภูมิของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นี้กว้างขวางสุดสมมุตินิยมครอบอำนาจของจิเลตไปหมด คือรู้ตลอดทั่วถึงทั้งแดนแห่งธรรมและแดนสมมุตินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยสามารถรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมมาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายได้ตลอดทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นโลกใดทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมด ตลอดอุบายต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่เหมาะสมแก่พบใดชาติใดหรือรายใดก็ตามจะทรงแนะนำสั่งสอนตามความเหมาะสมนั้นๆถัดจากนั้นลงมาก็คือพระสาวกท่านที่รู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจผุดขึ้นเป็นอรหัตตบุคคล สามารถรู้แจ้งเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีตามวิสัยของสาวกนั้นนั้นีน่แหละเครื่องยืนยันเรื่องธรรมเรื่องโลกที่ว่ามีคู่เคียงกันมานี้มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราอ่านเพียงตำลับตำราเท่านั้นถ้าแง่ไหนตำลาไม่มีเราก็ไม่ทราบ แหนไหนที่ตำราแสดงเอาไว้เราก็พอทราบได้บ้างเพราะเราไม่ทราบด้วยตัวเองของเราในจุดกลางแห่งวัตจักรอันนี้คืออะไรมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่องค์อริยสัตว์นี้เหมือนกันวัตจักรนี้อยู่ในอริยสัตว์คือสมุทัยสัตว์นั่นแลที่ว่ากิเลสเป็นเครื่องบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่ เมื่อได้หักกงกรรมสมุทัยสัต์นี่แล้วกับทุกข์สัตย์ไปพร้อมๆกันแล้วด้วยอำนาจแห่งมรรคษัตย์จนกลายเป็นผลขึ้นมาเป็นนิโรธแล้วท่านย่อมรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกดินแดนแห่งจัตที่มีวิญญาณครองตลอดทั่วถึงเพราะอันนี้เท่านั้นเป็น ผู้หมุนเวียนเป็นธรรมาชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของสัตว์โลกด้วยเหตุนี้โลกจึงมีการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ย น, ปยนแปลงดีชั่วสูงต่ำไม่มีประมาณอยู่ตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปตามวัฏจักรวัตวญมันพาหมุนไปจนกว่าจะสิ้นสุดวิมุตต์ด้วยอํานาจแห่งความดีของผู้บําเพ็ญ น, นั่นแหละจึงจะ ระงับดับลงได้เช่นพระพุทธเจ้าพระหันท่านเป็นผู้ระงับดับจิ่งเหล่านี้ได้แล้วจึงได้มองดูธรรมชาติอันนี้ด้วยความผ่านมาของพระองค์และของพระสาวกองใน น, นั้นด้วยด้วยความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่ได้สวยรรมมากน้อยเพียงไรเพราะอำนาจแห่งยิเรศสวรรดนี้ด้วยจึงรู้แจง้งแทงทะลุไปหมด นอกจากท่านจะนำมาแสดงเช่นอย่างพระสาวกท่านจะนำมาแสดงอย่างละเอียดทั่วถึงตามสถานที่หรือพบแห่งจัดนั้นๆมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นวิสัยของท่านถ้าไม่ใช่วิสัยที่ควรจะแสดงก็จะแสดงไปหาประโยชน์อะไรเพราะเป็นอาถรรพไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการแสดงเพียงรู้เพียงเห็น ในสิ่งทั้งหลายเท่านั้นก็พอกับงานแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงของท่านแล้วปล่อยวางไว้ตามหลักธรรมชาติของมันนี่เป็น <c oughs> พุทธวิสัยและสาวกวิสัยผู้ที่หลุดพ้นแล้วย่อมสามารถทราบจากเรื่องของจัตทั้งหลายได้เป็นอย่างดีท่านจึงนำทำทั้งหลายเหล่านี้มาประกาศสอนโลกเริ่มไปตั้งแต่ กรรมวัตเพราะกิเลสสวัส์นั้นสัตว์ไม่อาจจะรู้ว่าอาจจะรู้ว่าเป็นยังไงเริ่มกรรมวัตแล้วก็หมุนมาถึงกิเลสสวัสกรรมวัตรวิปา ก, กวัตว่าสัตว์ทั้งหลายได้ทําบาปทําบุญเนียแล้วเป็นผลขึ้นมาให้ลงต่ําบ้างให้ขึ้นสูงบ้างคือให้ดี บ้างให้ชั่วบ้างให้สุขบ้างทุกบ้างสุขมากทุกมากสุขน้อยทุกน้อยตามอำนาจแห่งกรรมของตนเรื่อยมาโดยลําดับลําดาจากนั้นหากท่านผู้ที่มีความสามารถแจก้าที่จะรู้ต้นเหตุแห่งกิเล ส, สวัสด์ซึ่งเป็นตัวหมุนนี้ได้มากน้อยเพียงไรแล้วท่านจึงนํามาแสดงให้พอเหมาะพอสมกับภูมิแห่งท่านผู้ที่ควรจะ รับไว้ได้และหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมอันเป็นความจริงสุดส่วนนี้เช่นพระพุเทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวคีร์ทั้งห้าไม่เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องสีเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่ผู้นี้เหมาะแล้วกับกิเลสสวัส์ลงในสมุทัยยัสรัตเลยทันทีดังที่เราทราบแล้วในธรรมจักรกับประวัตนสูตรมีแต่องค์อริสัตล้วนล้วนล้วน จากนั้นอนัตตลกนัสูตรก็เป็นองค์อริยสัจเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเหล่านี้เป็ น, นรปอนริยสัจไปอภิตะยายสูตรก็เป็นเรื่องอริยสัจแตกกระจายออกไปองค์อริยสัจแท้คือทุก์สมุทัยนิโรธมรรคกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านขแขนงแตกออกไม่มีประมาณล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมาจากอริยสัจนี้ทั้งนั้นท่านแสดง เรื่องกิเลสสวัสดขึ้นทันทีเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สมควรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วไม่มีที่สงสัยพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้ถ้ายังเป็นไปไม่ได้อันเป็นสาธารณะของโลกทั่วทั่วไปท่านก็เริ่มแสดงตั้งแต่เรื่องการการกระทําคือาศาสนธรรมแสดงลงเรื่องของกรรมเป็นหลักใหญ่ ออกมาจากกิเลสสวัสดมาแสดงเรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญได้เสวยผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมหนักเบามากน้อยเลื่อยไปให้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบให้รู้วิธีละวิธีแก้วิธีถอนและรู้วิธีบำเพ็ญให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เจริญงอกงามภายในจิตใจของตน เพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้เป็นผลของเรียกว่าวิปา ก, กวิปากกวัดคือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วผู้นั้นเป็นผู้เสวยจนกระทั่งทุกวันนี้ทรงสแสดงมาโดยลำดับไม่พ้นจากหลักแห่งกรรมนี้เลยสั่งสอนสัตว์โลกธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างไรก็ทรงสแสดงการทำความชั่วไปตกนรกนรกก็มีอยู่แล้วดั้งเดิม เหมือนกับบาปกับบุญนี่แหละไม่ผิดจากบาปจากบุญนี่เลยนรกแต่ละหลุมละหลุมละหลุมมีตามขั้นตามภูมิแห่งความชั่วของสัตว์โลกที่จะพึงไปตกในที่เหมาะสมกับกรรมของตอนนั่นนั้นขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นเ ท, เทวดาเกลื่อนหยุด ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีช่องว่างในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เสวยผลอยู่ทั่วๆไปนี้หาช่องว่างไม่ได้เลยนิสพองทรงก็ทรงแสดงให้ทราบอย่างนี้ตลหลอดถึงขั้นสูงขึ้นไปนับแต่เทวดาลุกาเทวดาภูมิเทวดาเนียกว่าภูมิเทวดาอากาสาเทวดา ขึ้นถึงเทวพวกเทพทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนั้นๆขึ้นถึงพรห ม, มโลก16ชั้นที่เกี่ยวกับเท้ามาหาพรหมหรือพรหมทั้งหลายก็แสดงไว้โดยถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องคำว่าบาปก็เป็นความจริงบุญก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วด้วยพระจักษุ ญ, ญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึง วันนรกก็ดีไม่ว่าหลุมใดสวรรค์ก็ดีไม่ว่าชั้นใดตลอดพรมมโลกถึงนิพพานพระองค์ทรงผ่านทรงรู้ทรงเห็นไว้หมดเรียบร้อยแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้เห็นตามนั้นแล้วให้มาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนด้วยการกระทำคือละบาปบาเพ็ญบุญ บำเพ็ญคุณให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนเพื่อจะเป็นการส่งเสริมจิตใจซึ่งกิเลสวั์มันรุมล้อมอยู่นี้ให้ค่อยจูุดจางและค่อยหายไปโดยลำดับลำดาและเพื่อบุญกุศลเข้าช่วยสนับสนุนให้จิตใจใ น, นี้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีหากว่าจะได้เกิดต่อไปอยู่ยังไม่ขาดพพขาดชาติเพราะกิเลสจึงมีอยู่ในกิจสดานก็ให้ได้ไปเกิดในสถานที่ดี ทติที่เหมาะสมเป็นขั้นขั้นภูมิภูมิขึ้นไปส่วนใดที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นไม่มีเลยในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้ทรงแสดงไว้แล้วทั้งนั้นเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องธรรมเรื่องโลกโลกคือเรื่องของมวลแห่งกิเลสทั้งหลายธรรมหมายถึงวิสุทธิธรรม เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเป็นเครื่องลบล้างกันจึงต้องมีมาด้วยกันประหนึ่งว่าถ้าเป็นภาษาวิญญาณของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เหมือนเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาคู่ต่อสู้กันมาคู่อริสัตรู้ต่อกันมาความจริงก็ไม่ผิดอะไรกับความโกโปรกกับน้ําที่ สะอาดชะล้างกันเท่านั้นแหละนี่แยกออกไปเป็นปุกาลาทิฐานเป็นเรื่องของบุคคลจึงเป็นเหมือนหนึ่ง ว, ว่าเป็นคู่เดือดคู่แค้นนี่เป็นคู่ปรปักกันมาโดยถือหัวใจเป็นสนามรบเป็นเวทีที่อยู่ของธรรมชาติทั้งสองนี้แต่ส่วนมากธรรมชาติฝ่ายต่ำนี้เป็นเจ้าของครองอยู่ภายในนั่นจึงมีอานาจมาก หมนจิตใจดวงแต่ละดวงละดวงให้เป็นไปอย่างไรเป็นไปได้ตามความมุ่งหมายของมันท่านจึงเรียกว่ากิเลสวั์มันหมุนให้ทํากรรมอันใดก็ทําทําบาปก็ทําก็ก็กทําทําประเภทใดก็ตามความอยากมันเป็นกลิ่นล่อลวงให้จัดทั้งหลายหลงกลของมันแล้วอยากทําอยากพูดอยากคิดอยากไปอยากมาอยากกระดิกพิ้งแพงในสิ่งที่เป็นไปตามเพลงของมันนั่นแหละ สัตวโลกทั้งหลายไม่มีทางที่จะทราบได้เห็นได้รู้ได้จึงต้องหมุนไปตามของมันแล้วก็โกยผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานสิ่งที่ร่อลวงสัตว์โลกก็คือความอยากหมุนไปเรื่อยเรื่องความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่นนนสิ่งล่อลวงเยว่าอยาเคลือบน้ําตาลมันเคลือบไว้อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นประเภทใดเป็นยาพิษหรือเป็นอะไรเราก็รู้แต่เพียงว่าเราอยาก เช่นเราอยากไปเราก็ไปเราอยากอยู่ก็อยู่ไม่คำนึงว่าไปเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำดีหรือทำชั่วทำผิดทำถูกประการใดเราไม่สามารถที่จะทราบได้มีแต่ธรรมชาตินี่มันหนุนออกไปเรื่อยๆสัตว์โลกจึงลุ่มหลงไปไม่มีประมาณความโลภจึงไม่เคยเหือดแห้งภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะความอยากมีความโลภต้องมี ราคาตันหาเป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในยใ จ, ใจิตใจตัวนี้รุนแรงเอามากทีเดียวโลภก็โลภเพราะอันนี้เป็นสำคัญนี่แหล ะ, ะที่ว่ากิเลสตัวสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราล้มละนาวละนาวไปเพราะอันนี้เองเป็นตัวสำคัญมากขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้นามา พ, พิจารณาอย่ามีความสนิทติดจมขมันเอาให้จริงให้จัง นี่พูดถึงเรื่องความหมุนของกิเลสโลกกับธรรมที่หมุนกันไปแล้วแยกเข้ามาถึงราคะตัณหานี่ก็ทำให้อยากอยากยิ่งอยากหนักอยากแน่นอยากไม่คำนึงคำนวณมีแล้วก็อยากมีมากเท่าไรไม่เพียงพอก็คือธรรมชาติอันนี้แล้วผลของมันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อส่งเปรียวโจดเมฆโจดเม่เพราะฉะนั้นโลกจึงมีความรุ่มร้อนอยู่ทั่วหน้ากัน มองโลกเราจะมองด้วยความดูถูกเหยียดหยามจะมองด้วยความชมเชยสนับสนุนโดยสายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยสนับสนุนและอยากตำหนิติทาติศิณิติฉินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีทำเป็นที่ตัง้งมีทำเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้ก็คือการโลกนี้ เราอย่ามองว่าคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นมั่งมีคนนี่มีฐานะยากจนหรือสัตว์ทั้งหลายต่ำต้อยน้อยหน้าอะไรคนเป็นผู้มียศฐานวัศักด์กสูงต่ำประการใดมีเงินทองเข้าของมากน้อยอย่ามองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งความสุขกิเลสไม่ได้เกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่มันเกิดอยู่ที่ใจโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเสริมไฟเท่านั้นแหละเป็นปุ๋ย มีเงินมากก็ลืมเนื้อลืมตัวนั่นมีสมบัติพระสถานมากลืมเนื้อลืมตัวมีบริษัทบริวารมากลืมเนื้อลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์มากเท่าไรลืมเนื้อลืมตัวความลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นทางโลกของกิเลสที่จะสั่งสมความชั่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างโกยเข้ามาหาผู้ที่หลงตัวลืมตัวอันเป็นไปกับคนมายาของกิเลสนั่นแหละ เพราะฉะนั้นจึงมองเข้ามาสู่ใจมองเข้ามาสู่ใจนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟไประดมตามกันหมดเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมความโลภก็รุนแรงมีอยู่ตลอดเวลาทั้งมหาเศรษฐีกุดุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาจงกระทั่งคนทุไรเข็นใจมีฟืนมีไฟธรรมชาตินี้เผาอยู่ราคะตัณหาเผาอยู่ในใจทุกดวงทุกดวง ความโกรธความชุนเฉียวหาทางระบายออกมาได้จนเป็นทําลายคนอื่นสัตว์อื่นให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประมาณอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติอันนี้แหละเป็นทํา เ, เป็นความเป็นธรรมชาติที่บีบคัน้นสัตว์ทั้งหลายให้ทําตามอํานาจของมันแต่เราก็ถือมันมาเป็นเราเจ้อว่าทําตามอำนาจของเราทําไปแล้วเราจะมีความสู่ความเจริญและสมใจเรา เช่นได้ค่าเขาเนี่สมใจเราได้มาตามความชอบใจก็สมใจเราสมใจเราก็คือสมใจกิเลสนั่นแหละเราอยู่ต้มหน้าของกิเลสกิเลสมันเคยให้ความสุขแก่เราที่ไหนไม่เคยมีมีตั้งแต่ความทุกข์ความทนามานเพราะฉะนั้นสารโลกจึงนับวันรุ่มร้อนขึ้นมากมายก่ายของผิดปกติธรรมดามากมายสิ่งยั่วยวนก็คือว ง, วงกลรรมของมันนั่นแหละหรือวงล้อของมันนั่นแหละหมุนมาเพื่อ เป็นการส่งเสริมดอกหลวงให้มันมีกำลังทวีรุนแรงมากขึ้นสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเราเห็นไหมทุกวันนี้มีมากน้อยเพียงไหลเกิดมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยเห็นสิ่งนรกจกเปรตทั้งหลายมันก็ล่วงไหลเข้ามาข้ามฟ้าข้ามเมฆข้ามขวีบดินแดนเข้ามาสู่เมืองไทยของเราจนกระทั่งมาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราแต่ละรายละลายสู่บุคคลแต่ละคนละคน แล้วจนเป็นกิจาาชิบหายปนปี้ไปหมดตามมันเราก็ยังไม่รู้เพราะเราโง่ต่อคนมายาของกิเลสเวลานี้โลกมีความเจริญที่ตรงไหนมองไปเห็นแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายสร้างกันขึ้นจนเป็นบ้าบางคนเป็นบ้าจริงๆนะเพราะความคิดมากความอยากมันเหลือหลายเวลา จะอยากได้อะไรก็อยากได้จนเกินเหตุเกินผลสุดแล้วเป็นนิตริ่นติสินเขาพลุงพลังคิดหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มีเยอะนี่เพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้แหละมันหมุนคนนั้นก็ามาล่อแบบนั้นคนนี้มาล่อแบบนี้ได้จงแต่คนมายาของกิเลสทั้งนั้นมาหลอกมาลวงกันคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราจริงเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟดำ ต, ต, ตามกันหมดหาผู้ที่จะสบงบสงบเย็นไม่ได้เพราะมีทำความรู้สึกตัว สติทมไม่มีในใจพุทธโธธรรมโมสังโฆไม่มีในใจบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วไม่มีในใจนรกสวรรค์นิพพานไม่มีในใจความตายไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าไม่มีในใจคนเราจึงลืมเนื้อลืมตัวลืมไปได้ทั้งเขาทั้งเราไม่ตาหนิผู้หนึ่งผู้ใ ด, ดเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคน มันต้องหมนบุคคลไปและสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอย่างนี้ทั่วหน้ากันนี่เราอย่าว่ามีแต่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอีกเต็มตามแบบของสัตว์สัตว์แต่ละประเภทเป็นไปตามแบบของสัตว์เป็นฟืนเป็นไฟตามแบบของสัตว์เพราะการขอนขวายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใดแม้ว่าสัตว์แม้ว่าบุคคลเทวดาอินทรชมมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่อง เป็นกงจักหมุนอยู่ภายใน จ, ใจิตใจแต่ไม่มีใครมองรู้มองเห็นมันมันจึงสนุกตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งซ่วมมันไม่มีละไซ่วมซึมถ่ายเลยถ่ายเลยบนหัวใจของตัดโลกเต็มไปหมดแต่เรามองดูพเพลินๆก็เจริญบ้านนั้นจเจริญบ้านนี้จเจริญเราไปดูแต่ถนนหนทางเป็นดินเป็นหญ้ามองดูตั้งแต่อิดแต่ปูนแต่หินแต่ ชายตึกรามบ้านช่องว่าหรูหราผู้ฟ้าว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกินน่าจะรื่นลมยินดีความรื่นลมยินดีอันนี้มันก็เป็นเครื่องล่อของกิเหลือที่จะหลอกคนให้ยับยั้งตัวไม่ได้หมุนไปจนตายเราก็ไม่รู้ฉากหลังของมันนั่นแหละเครื่องล่อลวงแล้วก็อยากทํา ทำได้แค่นี้แล้วไม่พอใจอยากทําอีกเท่านั้นอยากนั้นอยากนั้นอยากไม่หยุดไม่ถอยความอยากนี้จึงเป็นเหมือนเชื้อไฟใส่เข้าไปเท่าไรเก็ยิ่งแสดงเปลใหล้ลุกจุดเมฆสูงจดเมฆขึ้นไปขึ้นไปความทุกข์ก็ยิ่งวุ่นวายแล้วจะไปหาความสุขที่ไหนกับกิเลสมันไม่ได้แหละมีแต่ฟืนแต่ไฟอย่างนั้นใครก็ตามเถอะ ถ้าไม่ไม่มีการยับยั้งตัวให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมีเมืองพอบ้างตั้งแต่เรารับทานก็มีเมืองพอกันไม่ตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมามันก็รู้ด้วยกันทุกคนพอรับทานอิ่มแล้วก็หยุดไปเป็นพักๆอันนี้ก็ก็เหมือนกันถ้ามีทำในใจแล้วก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวหยุดไปเป็นพักๆเข้าวัดเข้าวาจำสิงภาวนา ละเลิกถึงอัดถึงธทำเฉพาะอย่างยิ่งมรณะคือความตายเมื่อละเลึกไว้ละอยู่ในใจวันอ ย, อย่างน้อยก็ให้วันได้วันละห้าหนก็ยังดีละเลึกถึงความตายจะเป็นการเหยียบเบรคข้ามล้อไม่ให้มันดิ้นรนกวัดแก่งเอาซะจนเป็นกงจักเผาหัวใจเจ้าของตลอดเวลาจนกระทั่งถึงหลับนี้ไม่ดีหลับไม่ได้เพราะอํานาจแห่งฝ่ายต่ํานี้มันหมุนตัวของมัน ที่กล่ามาทั้งมวล น, นี้นี้คือคือกิเลสสวัสดเรียกว่าวัตจักเป็นคู่ศัตรู ก, กันกับธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมชาตินี้มีอยู่ตลอดไปยิ่งไม่มีธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตรัสรู้เป็นสูญย์กับว่างเปล่าจากศาสนาด้วยแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรหมมันจะ เป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันเท่า น, นั้นแต่การแสดงเปลวนี้จะมากขึ้นโดยลำดับเพราะไม่มีน้ำดับไฟในลานี้ยังมีพอประมาณก็ยังพอรู้สึกได้บ้างเราเป็นชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมป ร, ระสงค์เวลาจะเป็นจะตายก็เข้าห้องพระและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงค์แล้วกราบลงชั่วขณะหนึ่งก็เย็นใจเย็นใจ นั่งภาวนาลำพึงถึงความเป็นความตายความได้ความเสียความเป็นมาของตนตลอดความที่จะเป็นไปข้างหน้าจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวของตนไปบ้างเวลานี้มีแต่ความหมุ น, ปนไปตามหน้าของกิเลสความหมุนมาเพื่ออาจเพื่อทำเพื่อแก้นตนเองถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นไปจากสิ่งผัวพันทั้งหลายเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ได้คํานึงในห้องพระบ้างสาหรับชาวพุทธเรา ถ้าไม่ได้คำนึงอย่างนี้แล้วตายทิ้งเหมือนสัตว์นั่นแหละเราอย่าทะนงตัวว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์มันไม่มีอะไรสูงกว่าเขาแหละความรู้ความเห็นความเป็นเป็นเรื่องออกมาจากกิเลสด้วยกัน ก, กิเลสเป็นผู้ขยีขยับขยี้ขยตำตําให้แหลกแต่กระจายไปเช่นเดียวกันแล้วเราจะอวดเนื้ออวดตัวยิงอยู่อย่างไรว่าเรานี่สูงกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่เสวยก็เหมือนกันกับสัตว์สิ่งที่พาให้ทํา ก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทำจะพาคนห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานรนวนวนั่นแหละเต็มอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเนี่ยถ้าไม่มีทำเข้าแทร ก, กจิตใจแล้วใครก็ใครเถอะอือยู่ไปเป็นวันเป็นวันเท่านั้นพอถึงพอ ถ, ถึงวันตายความหวังนี่หวังด้วยกันทุกคนเต็มหัวอกหัวใจนั่นแหละแต่มันไม่สมหวังสิ่งที่ไม่สมหวังมันก็เอาความทุกข์ยัดเข้ามาแทงเข้ามา ขยำเข้ามาภายในใจของเรานี่แหละและโลกนี้หาความถูกที่ไหนได้มีที่แน่นอนที่ไหนพอที่จะโปรง่งจิตโปรงใจฝากเป็นฝากตายลงได้ในสิ่งที่เราหวังทั้งหลายนั้นมันไม่มีมันมีแต่ความผิดหวังผิดหวังทั้งเขาทั้งเราเต็มแผ่นดินแผ่นหญ้าเต็มไปหมดเฉพาะมนุษย์เหล่านี้ก็เต็มไม่ว่าโลกไหนทวีปใดเราอย่าไปมองข้าม มาอยู่เมืองนั้นเมืองนี้มีความผาสุกสบายเมืองเขาจเจริญเมืองนั้นจเจริญทวีปนี้จเจริญมันจเจริญด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในเรือนจําต่างๆนั่นแหละเรือนจํานั้นเรือนจํานี้จะเป็นอะไรไปบ้านนั้นเมือง น, นี้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเรือนจําขังสัตว์โลกนิเรศเป็ น, นเป็นนายคุมนักโทษอยู่ในที่นั้นๆทุกตัวสัตว์นทุกบ้านทุกเมืองทุกหัวใจของสัตว์และบุคคลเราจะหาความถูกที่ไหน ไปไหนมาไหนก็ตามไปบันนี้ไปเมืองนอกไปเมืองนาไปเมืองไหนมันก็เหมือนกันกับนักโทษย้ายเรือนจํานั่นแหละย้ยายจากเรือนจํานี้ไปสู่เรือนจํานั้นย้ายจากเรือนจํานั้นมาสู่เรือนจนนํานี้ด้วยความทุกข์ความทรมานทึ่งอยู่ใต้อํานาจของนายเหนือหัวนี่ก็อยู่ใต้อานาจของทิเลสไปไหนมาก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วเราจะเอาเรือนจนําไหนนักโทษคนใดมาอวดดีบวชดีต่อกันว่าได้เปลี่ยน เลยย้ายจากสถานที่ไปสู่ที่ต่างๆมันไม่ได้เหมือนเขาฆาตการโยกย้ายไปโน้นไปนี่พอจะมีเกียรติน ม, มันนักโทษย้ายดวยนจําต่างหากนี่ก็เหมือนการความเคลื่อนไหวไปมาของสัตว์โลกที่มีกิเลสหมุนตัวบีบบังคับอยู่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะกิเลสนี้เป็นนายคุมนักโทษคือหัวใจเราหัวใจท่านนอกจากนี้แล้วยังจะหมุนลงไปอีกในนรกอเวจีที่ไหนไม่มีสงสัย ทำของพระพุทธเจ้าแต่กระจายไปจากอริยสัจนี้กระซ้านไปหมดเลยอือนั้นไหนที่จะไม่เห็นอันไหนที่จะไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้อริยสัจนี่เป็นกุญแจดอกที่เปิดโลกธาตุให้แจ้งขาวดาวกระจ่างไปหมดรู้อยู่ที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ความเป็นมาของตนเป็นยังไงอริยสัจนี้ก็บอกชัดเจนว่าอาวิชชาปัจิยาสร้างขารานั่นความเป็นมาของสัตว์โลกเป็นยังไงก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเป็นจิต ด, ดวงเดียวกิเลสประเภทเดียวนี้ มันเป็นสิ่งที่พาให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดมาแล้วทีนี้เรื่องตรรดีกรรมชั่วว่าเป็นยังไงกวีกิเลสสวัสดิ์เนี่ก็เป็นเหตุให้ทํากรรมก็บอกอยู่แล้วกิเลสสวัสดิ์ก็คืออะไรอย่างที่พูดตะกีน้นี้มันก็กลายเป็นกรรมาวาัฏกรรมาวัฏก็เป็นดีเป็นชั่วสูงต่ําผลก็แสดงออกมาตามความความดีความชั่วความสูงความต่ํานั้นเป็นเรืเ่อยไปทั่วโลกดินแดน ดูที่ไหนมันก็เหมือนกันนี้ดูที่ไหนก็เหมือนกันนี้นี่แหละอริยสัตว์แต่กระจายออกไปแล้วจิตที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นมานี่มองเห็นอย่างนั้นแหละมองเห็นเต็มทั่วแดนโลกธาตุแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดนั้นเป็นฐานะของควรหรือไม่ควรของท่านต่างหากบรรดาพระพุทธเจ้าพระหรหันท่านกระจ่างแจ้งมากในสิ่งเหล่านี้แต่ท่านไม่เป็น คนมีจิเลตนะสิฟังแต่ว่าท่านสิ้นแล้วท่านจะเอาความอยากความทะยอยานเหนือเหตุเหนือผลเหนืออัดเหนือธรรมมาจากไหนท่านก็ต้องพูดไปตามเหตุตามผลตามอาัดตามธรรมอนใดควรอะไรไม่ควรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงเฉเลียวฉลาดรอบโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าพระาราหันท่านท่านย่อมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อสัตว์โลกมากน้อยตามกําลังของเขานั่นแหละนี่แหละเรื่องของ คิดว่าดูโลกกธาตุแจ้งสว่างเมื่ออริยสัตว์แต่ลงไปแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่ออกจากนี้เกิดนั้นออกานั้นเกิดนั้นที่ว่ากิเลสมันมาตั้งโรงงานใหญ่ขึ้นมาในหัวใจสัตว์โลกเราอยากจะพูดว่ามันแทบทุกโรงงานว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่คือตัวสําคัญของกิเลสมันไปเอามาจากไหนคําว่าตายแล้วศูนย์ สาเหตุในอริยสัตว์ไม่มีคําว่าตายแล้วศูนย์มีแต่คําว่าตายแล้วเกิดทั้งนั้นเปิดออกไปจะเห็นตั้งแต่เรื่องตายเรื่องเกิดของสัตว์ทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มงสารเต็มไรโลการาถาดไม่มีจุดใดว่าตายแล้วศูนย์มีในอริยสัตว์นี่เลยนี่อริยสัตว์เป็นเครื่องพิสูจตรไรโลกระถาดให้เห็นแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงไม่มีสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระรหัน์องค์ใด ถ้าลงได้ผุดขึ้นจากอวยวัตว์นี้แล้วแจ้งกระจ่างหมดเท่านั้นแหละแต่ไม่เห็นมีตรงไหนว่าตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไม่มีแหงาคิเลสมันมันก็มาตบตาเราจนได้ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นสัตว์ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าลงเชื่อแน่ลงแล้วว่าตายแล้วศูนย์แล้วคนนี้คิปหายทั้งเป็นตายทั้งเป็นยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นใครจะแก้ต้องรีบแก้ไม่แก้ไม่ได้อันนี้จะจมแน่ เพราะมันไม่ศูนย์ละสิกิเลสกิเลสสวัสดนั่นอ่ะมันให้ทํากรรมเหมือนนั่นอ่ะมันเอาอะไรมาศูนย์ทำกรรมกับกรมอะไรถ้ากรรด้วยอํานาจของกิเลสมันก็จะบอกให้ทําแต่บาปแต่กรรมชั่วช้าละโมกทั้งหลายแล้วตายลงไปก็ไปจมในนรกมันศูนย์เหนือนรกน่ะนรกศูนย์ที่ตรงไหนไม่เคยได้ยินว่าบาปศูนย์บุญศูนย์นรกศูนย์สวรรค์พรหมโลกนี่ผ่านศูนย์ไม่เคยมีมีแต่กิเลสนั่นแหละมันอุตริมาหลอกโลกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ ถ้าไม่รีบแก้ไขอันนี้ยังไงจ้องจมยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดเพราะอันนี้หนักมากทีเดียวในใจของสัตว์โลกใครจะแก้จะไขก็ต้องรีบแก้รีบไขในอันนี้ไม่อย่างนั้นจมจริงๆจมจริงๆพูดแล้วสลดสังเวชนะเราก็ไม่ยไม่ค่อยจะได้พูดอย่างนี้นี่เท่าแก่มาเท่าแก่มาถ้าพูดเป็นภาษาโลกก็มันคันฟันให้ขอพูดสักหน่อยเถอะว่าอย่างนี้เลยก็ได้นี่นะแต่ไม่คัน เราพูดแบบโลกที่เฉยเราไม่ได้คันฟันถ้าคันฟันพูดออกมานานแล้วนี่สิ่งต่านี้ทาไมจะพูดไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงมีอยู่พูดไม่ได้มีหรือทําเป็นทำสอนโลกแทๆ้ๆเอามาพูดกับให้โลกฟังพูดไม่ได้มีอย่างหรือหรือจะให้กิเลสมันเยียบปากเย็บดังเรียบจมูกไว้หมดนั่นหรือไม่ให้พูดไม่ให้หายใจไม่ให้ลืมหูลืมตาให้แต่กิเลสมันบีบบังคับไปนั่นหนัวกิเลสมันบีบบังคับเรามาม า, มากต่อมากนานแสนนานน้ำาดมันม้นวนเสื่อลงไปแล้วตัวไหนามาบีบ จะมีอะไรมาบีบนี่สนุกดูโคตรดูแทะของกิเลสสิที่มันมาหลอกลวงสัตว์โลกสามแดนโลกธาตุมีตั้งแต่โคตรแทะกิเลสโคตรเดียวนี่แหละไปบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายหลอกลวงต้มตุนสัตว์ตั้งหลายไม่มีใครเห็นบาปไม่มีก็กิเลสเป็นผู้หลอกบุญไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรมโลกนี้พานไม่มีก็คือตัวกิเลสนี่เองทาท่านเปิดเผยนี่ เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทำท่านก็ บ, บอกว่ามีอยู่แต่กิเลสไปปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ว่าไม่มีไม่มีตายแล้วศูนนี่ยิ่งแล้วเมื่อมาตายแล้วศูนแล้วเป็นยังไงก็มันหมดหวังสิ้นหวังแล้วมีอะไรอยากทําอะไรก็ทำคำ ว, ว่าอยากทําอะไรก็ทําก็คือกิเลสให้อยากนั่นเมื่ออยากทําลงไปก็มีตั้งแต่ความชั่วชา้าละโมกพอ ต, ตายลมหายใจฟอดฟอดขาดสะ บ, บั้นลงไปแล้วจิตใจไม่ตายแล้วสิที่นี่ออืก็ดิ่งลงนรกนั่นจมปิงจมปิ ง, ปงเออถูก ขังอ น, นิจจังจะว่าอย่างไงถ้าโลกโง่ขนาดไหนถ้าถ้าเรายังแก้ะ น, นี้ไม่ตกแล้วโง่ขนาดไหนโง่อย่างชมัดสัตว์สู้ไม่ได้ว่างั้นเลยเนือยิ่งเป็นชาตพุทธเราด้วยแล้วใครจะรีบแก้ไขให้รีบแก้ไขไม่แก้ไขจะสายเกินไปตายแล้วจะจมจมแนวหนมแนวไม่สงสัยไม่มีใครไปช่วยได้นะกิเลสมันไม่ช่วยมันหลอกเฉยเฉยมันไม่ได้ช่วยใครแล่ะนอกจากทำตอนนั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ ทำลายอายศาสตร์แตกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายทำทั้งหลายสาวกว่า <c oughs> อายศาสตร์แตกนี้ทำก็โผล่ขึ้นมาเต็มที่เลยถ้าไม่เชื่ออันนี้แล้วไม่มีทางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่โกหกใครพอถอนเอาหลักความจริงนี้ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเพราะโลกทั้งหลายนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยอำนาจของกิเลสนี้ไม่เว้นไม่ได้ไว้หน้ากันเลยไม่เว้นแต่ละรายเลย เต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเต็มโลกเต็มสงสา ร, รทําไมพระพุทธเจ้าใจบริสุทธิ์พดโธขนาดนั้นพระอรหันต์ท่านใจบริสุทธิ์พดโธขนาดนั้นจะเป็นใจดําน้าผุ่นไปได้เหรือเป็นไปไม่ได้นี่แหละที่ทําออกมาสอนโลกเพราะออกมาด้วยพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเป็นกําลังนั่นแหละใถึงได้สอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปไม่อย่างนั้นก็จะหาบตั้งแต่ ปาบแต่กรรมว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไปเต็มกองกันอยู่ในนรกอัดอั้นตันอุทยอยู่ตันตันอุราอยู่ในนั้นแล้วถึงจะอัดอั้นขนาดไหนก็ตามนั้นนรกไม่เป็นทุกนรกว่าครับเต็มไปหมดว่านรกจะคับแคบติดตันนรกไม่เป็นทุกมันเป็นกรรมของสัตว์เองให้ตีบให้ตันให้แน่นอยู่ในนั้นนรกหลุมไหนก็แน่นนรกหลุมไหนก็แน่นเราตายแล้วสูญไปแน่นอยู่ในนรกนั้นนั่น หลาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดบอกอยู่ชัดๆไม่มีสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายศูนย์ไม่มีในอริยสัตว์เนี่ยเป็นองค์ขบวนแห่งธรรมทั่วแดนโลกธาตุออกจากอริยสัตว์นี้อย่างเดียวเท่านั้นว่างกันเลยไม่มีอะไรทําที่จะผุดขึ้นมาให้ประกาศกลางวันขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้บริสุทธิ์ออกจากอริยสัตว์นี้เท่านั้นพรอผ่านอริยสัตว์นี้ผึ่งขึ้นมาก็ใช่แล้วใช่แล้วนอกนั้นไม่มีที่เกิดของธรรมในอริยสัตว์นี้เท่านั้นที่อุบัติของท่านผู้รู้ทั้ง เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจริงแกนของศาสนาคืออะไรรากเง้าของรากแก้วของศาสนาคืออะไรคืออริยสัจอา้าวใครทำไมไปผ่านนี้แล้วไม่หมอบราบหมอบราบต่อหลักความจริงไม่มีนี่แหละแดนแห่ ง, งธรรมชาติโรงงานอันใหญ่โตที่จะกระจายดูโลกดูตรงศารดูตรงนี้ดูให้ชัดเจนจากอริยสัจนี่แหละเพราะคำํำอริยสัจก่อนนี่ฝ่ายกิเลส มุดมัวกำบังมันปิดไว้มันไม่ให้เห็นนะสิพอเปิดออกแล้วมันจ้า น, นี่ว่าไงนั่นเปิดออกด้วยมัคคือข้อปฏิบัติเรื่องแจศีลสมาธิปัญญาเหลือมหาสติมหาปัญญาฟาดจ้าขึ้นมาแล้วทเทเลที่เป็นตัวพาให้มืดให้บอดมันแตกกระจายหมดห ม, ดห ม, ดมุนก็มาเมฆพังทลายลงไปแล้วอืพระอาทิตย์ก็จ้าขึ้นพายในจิตใจนั่นอันไหนที่นี่อันไหนศูนย์อันไหนไม่ศูนย์เห็นหมดรู้หมดเลยนี่ท่าน ไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ในอริยสัจบรรดาผู้ได้เจ้าพระหรหันต์ทั้งหลายไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ว่าตายแล้วสูญมีที่ตรงไหนเนี่ยพิสูจน์กันในอริยสัจนี่มีแต่ตายแล้วเกิดแต่แล้วเกิดเพราะวิกิเลสสวัสกิเลสสวัสบอกจะชัดอยู่อางนั้นแล้วนี่กิเลสสวัสพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติลงไปในจุดนี้แล้วเอาเธอว่า ง, งั้นเลยยังยังไงก็กิเลสนี่ขนกลัวเรือนหนีไม่ทันนั่นแหละถ้าลงได เข้าในอริยสัจอันเยี่ยมนี้แล้วเรื่อยเลื่อ ย, อยสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินี่แหละเป็นสติปัญญาที่จะสังหารสิ่งทั้งหลายที่เป็นค่าศึกต่อทำ ม, มาเป็นเวล า, านานเป็นค่าศึกต่อใจของเรามาเป็นเวล า, านานจะสร้างหารกันที่จุดนี้จุดนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติของเราจึง อย่านอนใจผมนับวิโตวิจาร์มากเท่าแก่เท่าไรทํางานมาได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใ ย, ยหมู่เพื่อนตลอดประชาชนหน้ายมมากไปที่ไหนไปด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้เคยหวังโลกาภิตธอะไรมีอะไรได้มาเกิดมามีมาก็ทําประโยชน์แก่โลกเท่านั้นไปก็ไปเพื่อสอนโลกแนะนําสั่งสอนโลกให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้มาก็ได้มาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเราไม่ได้มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่ ง, งหัวใจคนไปที่ไหนเราจรึง มีแต่อันนี้พระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกสั่งสอนด้วยโลกามิตรเมื่อไหร่สั่งสอนด้วยอาจด้วยธรรมด้วยพระเมตตาทั้งนั้นขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าเถอะแล้วเราทุกทรมานจะเป็นจะตายยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งได้แล้วมันก็หนาเกินไปในะมนุษย์เราต้องเอาให้ตรงนี้ให้ได้เอาตัวเองนะอย่าไปตำหนิใครนะไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่า น, นี้มีอยู่กับหัวใจของทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดมันให้ได้นะผู้ปฏิบัติย่านอนใจ ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติมันจะเป็นจะตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสเอาตายเขาตายไม่มีการต่อสู้กิเลสไม่รู้ว่ากิเลสเป็นยังไงนี่เกื่อนโลกธาตุแล้วดี๋ยวเราตายเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กับกิเลสนี่ให้มันได้เห็นมีชื่อมีเสียงดังดังกระเทือนในหัวใจของเราเองว่าเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบเอาให้มันจริงมันจังอย่างนั้นสินักปฏิบัติธรรมมีอยู่ของจริงมีอยู่ ศาสนาธรรมของคริสต์เจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้ประกาศกังวานมานานเท่าไหร่แล้ว 2,500 ปีนี้ยังไม่กระเทือนหัวใจของพวกเราชาวพุทธและผู้ปฏิบัติทุปองกรรมาฐานเราบ้างเหนือกรรมาฐานเราเป็นยังไงหรือนอนตายเฉยหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นนอนทำไมโลกเขานอนได้นะถ้ามันวิเศษวิสโสการหลับการ น, นอนแล้วโลกนี้สําเร็จมรรคสาเร็จผลไปหมดแล้วมันไม่สําเร็จการ น, นอนนั่นเพียงพักผ่อน ยอนกายที่เวลาหิ้ห้อยลอยแรงมันจะตาจะเป็นอยิงนแล้วก็พักจะพักหนึ่งพักหนึ่งจากนั้นก็ออกเข้าสู่แนวรอบฟาดกับกิเลสนั่นถึงถูกต้องเอาให้จริงให้จังสิตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของเราแต่และคนละคนพระพุทธเจ้าประทานมาแล้วลงในจุดนี้ทางนั้นอริยสัจอยู่ที่นี่เปิดอริยสัจออกจะเห็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานรงไว้ซึ่งมากซึ่งผลตั้งแต่สัตดาสกิธาคาอนาคา อ, า ร, าาอารหัตตะบุคคลจะปรากฏขึ้นที่ในท่ากลางแห่งอริยสัจนี่แหละไม่เป็นที่อื่น มันได้ประดับห้างร้านคือพุทธศาสนาให้สง่างามนี่เวลานี้ศาสนาจะลืงเหลือแต่ตําหรับตํารานะ้ห้างร้านก็เป็นห้างร้านเปล่าๆกั้นไว้ด้วยผ้าม่านเอาทองคําไปฉาบทาไว้แล้วเปิดเข้าไปข้างในมันเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขี้มูราขี้หมาแห้งแล้วนะมันจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับห้างร้านใหญ่ๆแ ห, ห, ห่งพุทธศาสนาคือผู้ทรงมรรคทรงผลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัดตามทำ เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นแหลเป็นผู้ที่ประดับห้างร้านใหญ่ใหญ่แห่งพุทธศาสนาให้สง่างามสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ทำด้วยความบริสุทธิ์พัสถัยแล้วนํามาสั่งสอนโลกเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทุกจริงทุกอย่างเนีเราก็ปฏิบัติตามท่านจนได้ทรงมรรคทรงผลเป็นที่พึงพึงพอใจภายในจิตใจของตนนั่นแลเป็นผู้ประดับศาสนานี่แล้วใครจะเป็นผู้ประดับศาสนาถ้าไม่ใช่เราศาสนาก็อยู่กับเราอีกด้วยในหัวใจของเรานี้สง่าขึ้นที่นี่งามขึ้นที่นี้ หลุดพ้นที่นี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยโลกามิตเวลานี้กําลังเกลื่อนเรื่องโลกโลงสงสารมันไม่เคยสงบมาแต่ไหนแต่ไรหละเราจะไปตำหนิมันสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมแต่สิ่งที่ยั่วยวนกวนใจที่จะทำให้เหลวแหลกแบกแนวทางอัดทางรมนี้มันมีมากขึ้นกบพูดไปตามเรื่องของมันเฉย เราจะตื่นดะเต้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอะไรจะเลิดประเสริญยิ่งกว่าทำภายในจิตใจนี่ไม่มีและอะไรจะเลวร้ายิ่งกว่าหัวใจของผูงคนมีกิเลสนี้ก็ไม่มีเหมือนกันจงแก้ที่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่ให้มันเหือดมันแห้งหมันหมดไปทำจะได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่เถอะถ้าลงถ้าทํากับใจเป็นอันเดียวกันแล้วมันสนุกถ้าพูดแบบโล ก, โลกเขาว่าสนุก ดูดูอะไรดูเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่จะทกสะทานกลัวว่าจะได้จะเสียอะไรไม่มีดูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอันใดควรจะมาเป็นประโยชน์แก่โลกมากน้อยเป็นอะไรก็นํามาให้เป็นประโยชน์แก่โลกอันใดที่สูดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้เป็นไปได้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงประหนึ่งว่าเข่าลิ้นชักลิ้นชักชักเก็บไว้ในหัวใจเรียกนั่นดันั้นพระอรหันต์ท่านท่านไม่ตื่นไม่เต้นกับสิ่งอะไรเลยก็นอกจากความเมตตาสงสารเท่านั้น น้องพระตั้งอกตั้งใจนะทำของพระเจ้า ส, สดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ที่ใจใกายวาจาใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสมัน ส, สดๆร้อนๆอยู่ภายรรในจิตใจของเรานี่แหละไม่เคยเหินห่างจากจิตใจ จ, จ, จ, จึงเรียกว่าอาการลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกทําให้เกิดกิเลสมื่ อ, อะไรเกิดเมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่แล้วภายในจิตใจทําก็เมื่อบําเพ็ญ ใ, ให้เกิดให้มีขึ้นภายรรในจิตใจก็มีได้เช่นเดียวกันกับกิเลสนั่นแหละแต่ยังไงก็เอาให้ได้นะ เวลานี้กรรมาฐานเรายิ่งกุดยิ่งด้วนเข้าไปทุกวันทุกวันนี่แหละที่ผมวิตกวิจารนะ์น่ะไม่ใช่อะไรนะ่ะการปฏิบัติเช่งอยู่กับหมู่กับเพื่อนเวลานี้ก็อยู่เฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปอย่างนั้นแหละหูตามีก็เหมือนไม่มีมืบออกตาบอดไม่ค่อยสนใจดูอะไรเลยดูตั้งแต่ถัดขันต้จัของแล้วขอเป็นพอไปหรือไม่เพียงไรเท่านั้นไม่ได้ดูอะไรมากมายแหละจิตใจมันหดมันหูเข้ามาคําว่าจิตใจหดหูหมายถึงขัน สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมันหดเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอันนี้เป็นเครื่องใช้ของใจเมื่ออันนี้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาการทํางานก็ไม่สะดวกทําอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนรถราของเรานี่แหละเครื่องเราอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเข้าโรงซ่อมเรื่อยๆซ่อมไปซ่อมมาเข้าปูแล้วไม่ยอมออกอันนี้ก็ซ่อมไปซ่อมมาซ่อมหูซ่อมตาซ่อมจมูกซ่อมลิ้นซ่อมกายร่างกายส่วนต่างๆซ่อมไปซ่อมมาสุดท้ายมันก็ซ่อม เอแล้วมันก็ไม่ออกจากอู่เลยเข้าอู่อูอะไรเมนนั่นเข้านั่นแหละเป็นที่ยุติของมันเวลานี้มันลดลงขนาดนั้นแล้วแต่เรื่องมรสุมที่มันจะเป็นค่าศึกต่อจิตใจของชาวพุทธเหล่านี้ไม่ว่าคารวาสไม่ว่าพานามากแสนมากจนปรรณาไม่ได้ทำประนึ่งว่าเป็นฝ่ามือเท่านั้นที่จะกั้นคลื่นมหาสมุทรไม่ให้มันแสดงคลื่นเป็นไปได้เหรือที่ชนะสิ มหาสมุทรทะเลหลวงอะคลื่นมันใหญ่ขนาดไหนเอาฝ่ามือไปกั้นไปกัน้นมาให้มันมีคลื่นได้หรอืออันนี้ก็เหมือนการทำเดี๋ยวนี้ของความรู้สึกแห่งชาวพุทธของเราจะมีเท่าฝ่ามือฝ่ามือนี้แนหะเรื่องคลื่นมหาสมุทรมหาสมุท ร, ม ห, ม, รมหานิยมเป็นบ้ากันนั้นมีมากต่อมากมาทุกซอกทุกผลทุกแห่งทุกตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองที่ไหนมาหมดมีแต่เครื่องหลอกลวงต้มตุนเป็น เป็นระยะระยะระยะสรับสลับซับซ้อนมองไม่ทันเต็มไปหมดแล้วความเสียหายมันจะไม่มีได้ยังไงใครจะมีความเฉ ล, ลียวฉลาดไปตามทันกับสิ่งเหล่านี้กลัวว่าข้างมันมีมากขนาดไหนอันนี้ที่ทีน่าวิตกวิจารณ์มากมีอะไรมามีแต่ความาามาความาามาความมับเผาเจ้าจของเผ า, าเจ้าของเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตื่นก็ยิเฉยตื่นลมตื่นแรงว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญเขาเจริญเราเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญ มันตื่นลมกันเฉยๆตัวหัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เหมือนกันไปหมดนี่จะว่ายังไงถ้าหากว่าเป็นเปลวเหมือนกองกองไฟนี่มองไปดีมองไปที่ไหนนี่แดงโลูไม่หมดอจงแสงสว่างไฟเนี่ยจ้าไปทอดเมฆจดไปถึงอะไรจุดเมฆหนุ่นไฟแห่งความแห่งราคะราคาคขีไฟคือราคะโทสักขี้ไฟคือโทสะอืมโลภะขีไฟคือความโลภนั่น มีโมหะอยู่ในจุดศูนย์กลางเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายนี่มันมองเห็นตั้งแต่อย่างนั้นนี่มันไม่ได้มองเห็นความสุขความเจริญความสง่าราศีของบ้านของเมืองของโลกของศารของหัวใจใค ร, ใครๆก็าตามส่วนมากมันมองเห็นตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้แต่ในหัวใจด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณฐานี่ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วจะให้ตายใจได้ยังไงอืทําให้เห็นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี่น ท่านก็ประกาศทําสอนโลกสดสร้อนรอยู่นี่เหมือนท่านเห็นอยู่เห็นอยู่นี่ในธรรมบอกอย่างนั้นสดสร้อนร้อนอย่างนี้จือจ้างไปเมื่อไรธรรมของพระพุทธเจ้าถท้องพากันร่างอกตั้งใจนะไม่งั้นจะจมทิ้งเปล่าศา ส, สนาจะมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่คัมภีร์ใบลานอืมเก็บไว้ในตู้ในหีบลเลาะกุญแจไว้แต่ทิเลตออกมาเพ่นพ่านเป็นพ่านเนื้อ ประชาชนญาติโยมพระเนรชาวพุทธของเรานี้พระก็ไปแบบหนึ่งเยอะญาติโยมประชาชนก็ไปแบบหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่แบบทําลายศาสนาศาสน า, า, า, าไปคนละแบบราชบับสุดท้ายาศาสนาก็เหลือแต่ชื่อแล้วชื่อก็เลยจะไม่มีติดใจด้วยซ้ํานั่นละเป็นเวลาที่จะจมเต็มที่จมที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมมาแก็รู้สึกหน่อยเอาละพออาสนะอาจแจกกันไปนะเทพเราเปล่าเรามีไม่ใช่หรือ แต่ปายัางมีมากม อ, อ, อี่เพียบเลยการเนี่ยแผดแผดทั้งหน่อยมันแก่แล้วนี่นนะมันโอ้ดูแล้วมันกระพราภาษาโลกเขาเรียกมันโมโหนะมันคันฟันน ะ, ะเอาส้มบ้างลเลยเก่าเป็นกระดาษเศษเป็นของเส็ษของเด่นไว้เฉยได้หรือทำของพุทธมีคุณค่ากระจาไปบ้างด้ยอ ย, ย่างนี้จนจิตเรียเป็นทองคำตั้งแท่ง ตีหน้าผาโกโรคอยู่นี่เลยทำไม่เห็นได้ออกตีนอยู่วะจะออกแลมั้งสิเหลือๆไรเงี้ยนี่แค่ก็เช่นอย่างนี้ความจริงก็อย่างนี้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้คุณนเช่นอย่างอื่นไปไม่ได้ผมอยากให้จิดใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติร่วมกันนเปิดโลกให้เห็นีความจริงของพร ะ, ระ เ, รรระเจะ้าสือสั่งไว้เงี้ยนะทีรักที่อไหนว่างนันเงยนะ ม่ยือยากี้หัวใจของย่ากเ้ปิดบางว้นอย่างนั้นเน่ยคนจาวอดอะไรมาให้มนงยืนมึงก็ไม่เห็นนี่อันนี้เนี่ยตังมากอ่ะค้างึงเปิดเผยตลอเวลาแต่ความยืย่ามันที้มันกูจาไว้ไม่เห็นมึงดูเราต้องตองอดงเรื่อยๆอ่ะอ่ามึงก็คึกกับอ่านเลยนะคุณวันความคึกความปรุมึงก็คึกกับปรุ คันอ่อนงคขนหดเข้าหดเ้าอาจจะแกเข้มามาในครัวคนมืฟังลืมอาจจะมือแกะในครัวแล้วก็ส่งไปกาเชื่อมต่างทำลักันนี้ฟังได้ทั่วไปเพราะมือใหายเนี่ยหลายกระทที่จะได้ประโุชจากทำรัวงา่วายกันอยู่ทำใหมือเฉพาะพอนาย่ังียวเแย่แย่กลายเป็นขยะกลายเป็นยังไง ค่อยๆไกระหลงไปนะผมลืมไปจับเงือนไว้ก็มือผ่านไปมันก็เรื่องไรก็ค่อยพูดแล้วค่อยๆไปลงเงื่นตั้งไว้กับมืเรื่อยๆอ๋อทำมาพระพุทเจ้าเมื่อจงอาจจริยเจ้าอาจจรย์ถึงจจริงๆนไม่ใช่อาชจริษธรรมดารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงโอม เลมันหนาแน่นขนาดนี้สลับซับอนเรื่องหลอวงสัตโลกนีอ้โวคนวของมันเอ๊โรคเต็ ม, มองสาลนี่จะคนลวงสัตว์โลกตงนั้นลุงหงลมตรงกับมันผมก็โยกโขึ้นมาได้ยังไงโผลมองไอโพวกเราท่านแนะนำสั่งสอนแค่เป็นชักตายังไม่ได้นอย่างท่านเองก็่ผล่ขึ้นมาสายามพู เ็ยกระชงคนวายเองไม่มีใครบอกคครเนะี้ยผลกระชงรู้เองเห็นเองวันนี้ก็ไปอยู่วัดนู้นที่มันทุงๆตำตำแหะแต่ว่ามันก็พอพักพอนาได้สบายเนี่อที่ประมาณร้อยไร่ต้นไม้ใหญ่มีห้าต้นหต้นมมนก็เจียงใหญ่อยู่จริงๆสามต้นต้น เราจะมาทำประโยชน์อะไรก็ได้ละเป็นขอถวายชี่แล้วเราจะเอามาทําอะไรก็ได้มันจะเกี่ยนใหญ่พอมันจะตายต้องเอาเรื่อยไปเรื่อยนะไม่ไม่ชิ่งเปล่าๆนะปล o n ไม้ประดู่แถวนั้นก็เหมือนกันจะให้ต่อไปนี้ใช้เขาเอาเรื่อยไปเรื่อยมามาว่อ่ะพราะมันตายแล้วเนี่ยมันเฉียบไปหมดเรื่อยไปเรื่อยมาเก็บว่ายให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารส่วนรวม เราค้นหาทุกอย่างแหะเพื่อประโยชน์ของโลกอะไรก็ทเพื่อโลกกพ่อโลกเพราะสงสารจริงๆสงสารทุกด้านทุกทางทั้งภายนอกภายนมเที้เนื่อยมีอะไจะเที่ยอีกเหรอเวลาเที่งมันไม่ได้คำคนึงคำนวณถึงเหน็ดถึงเหนื่อยนะเพรตีมันอยู่จุดเดียวจะไปแยกออกมาแล้วมันก็หยุดแค่นั้นมันเป็นน้ำไหลบ่าแล้ว ลงช่องเดียวเกิมันจะยังไงยังไงชักชาหรือเดีจะหนักหรือเบามันก็เป็นไปตามหธรรมชาติของมันของมันของมันค่าควริวันก็อย่างนั้นเหมือนข้าความยันะควยัเราเคยแ่เคยแค่จิต้องขนมเขามามากก่ามากเลยอะมึงจะเรียนหนังสืออยู่ก็ไเคยแค่อยู่ออกเรียนมาออกออกจากเรียนมาเที่ยว กมีเชื่อทนายว่าการอยู่ก็จช่วยเยอะแค่กินเขาต้องคนงก่มันไม่เหมือนเหมันยกสูตรนั้นสูตรนี้จิตวิ่งหาตำราเนี่ยมันไม่ได้อยู่นี่งๆนะจิตวิ่งสูตรนั้นสูตรนี้นะเวลาปฏิบัตินี่มันไม่ได้ออกไปไหนเลยเนียหมุนจีตรงนี้เลยอันนี้มันกว้างขวางใช่ไหมไม่เหมือนประยัินะประยัดเราได้เป็นสูตรเป็นทางเป็นแห่ง เป็นช่องไปยังไงแล้๋ยวนี้มันจ้าไปหมดนี่ว่าไงฟาดพูดแต่มันเต็มเป่าที่ว่าคือไปไหนมันก็ไปได้หมดก็มันรู้ไว้แล้วรู้ไว้แล้วทั้งนั้นนี่พูดตามความรู้ความเห็นความเป็นมันก็คิดไปไหนมนอกจากมันควรพูดหรือไม่ควรพูดทั้งนั้นก็ผ่านไปผ่านไปสิ่งใดไม่ควรพูดก็เห็นอยู่รู้อยู่ก็ไม่พูดอันนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ออกมาพูดอะไรอันนันที่เป็นประโยชน์ก็ออกมาออกมาออกมาออกม า, ออกมา ผว่าง่ความจริงของหลายมันเกลื่อนโลกกับท่านแล้วความรู้มันก็เป็นไปตามความจริงนั้ะแล้วจะอะไรมาจนกอกจนมูลในการแสดงถ้ามันจะเป็นประโยชน์ด้วยกันหมดนะอันนี้มันไม่เป็นเลยจึงจึงไปเลือกจะเส้นจะแยกจะแยกออกมาเท่าที่จะเป็นประโยชน์เท่าที่เป็นปรยู่์อะไรที่จะเป็นประโยชน์ก็หผ่านไปผ่านไปงั่นเหรองั้นเรอาจารย์พระพุทธเจ้าอะไรที่โลกวิถีทูโก็วิถี วิสัยขงพุทธิเนยังไงฮะพุทธวิสัยมันตามกันยังไงแค่จีวันจีคืนตั้งแต่วันตัสรลุแล้วจนกระทั่งนิพพานจะไม่จบพรนธนาไม่จบเรื่องโลกธาตุที่ทรงรู้ทรงเห็นนั่นแ่ะกว้างรู้ไม่กว้างนั่นแหะภาคฏิทย์รู้ใจได้อย่างตรงศูนย์กลางของวัตจักรวัตถกิจวิวัตจักรนี่แล้วรู้หมดแล้ววัตจักรก็รู้เต็ม พระไทยวิวัตรเจ้าก็ทรงไว้แล so ้วเน่ยแล้วย่ออะไรอัดอันสันใจนการแนะนำสสอนสันโลกเรื่องที่เป็นไปเห็นเศษเห็นผีที่ไหนมาทั้มดเฉยทเหมือนไม่เห็นแต่เวลามีสาวกมาทูลท่านเอ้ยเราเห็นมาตั้งแต่ข้างโน้นข้างโน้นแล้วนะเพราะนั้นแล้วพูดเฉยถ้าก็มาใหม่เลยมาใหม่เลยมาให้ศึกษาดูแลกันนะมาจุดสี่จุดห้ามาศึกต่ว่ามาเหมือนกับฉาาแวะ พักไม่ได้นะวัดเป็นสถานที่อยู่ของผู้ปฏิบัติมาต้องดูดูแล้วคิดแล้วอ่านเอาไปเป็นข้อศึกษาข้อศึกษาด้วยการเห็นการเรี ย, ยินการฟังปฏิบัตนะิข้อวัดปฏิบัติให้เข้มแข็งอย่าอ่อนแอไม้ได้นะแสดงออกมาจากหัวใจหัวใจย้อนหมดแบบไม่เอาไหนไม่เอาไหนเด่นด้านเด่นด้าน โซ่ซ่ซ่าซ่าเ็จสายก็ไม่ออกมาจากกุฏิมันไม่ได้นะพอทราบเมื่อไรเราต้องหนีทันทีไม่ให้อยู่ขวางเป็นซุงขวางวัวดนะอันนี้เหนื่อยไม่พูดอะไรมากเงยมตเทศแล้วก็จะหยุดท่าน่นอย่างนี้ไปก่อนแล้วเก็บเย้ยมือนี้